เรื่องพ่อค้าผ้าผู้ประมาทพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพ่อค้าขายผ้าผู้ประมาทดังได้สดับมาพ่อค้าบรรจุผ้าจนเต็มเกวียนห้าร้อยเล่มจากกรุงพาราณสีจะไปสู่กรุงสวัสีเพื่อค้าขายเขาถึงฝั่งแม่น้ำแล้วคิดว่าพรุ่งนี้จะข้าม หลดเกวียนพักแล้วตกกลังคืนฝนตกหนักอยู่เจ็ดวันมีน้ำมากข้ามไม่ได้เขาคิดว่าจะขายผ้าอยู่ที่นี่หละตลอดฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนพระศาสดาเที่ยวไปบินทบาททรงเห็นจึงตรัสว่าอานนท์เขาไม่ยเห็นความตายแห่งชีวิต จึงตั้งจิตว่าจะขายของในที่นี้ตลอดทั้งปีเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดเจ็วันเท่านั้นก็ตายจึงตรัสพระคาถาว่าความเพียนเครื่องเผากิเลสควรทำในวันนี้ทีเดียวใครจะเพิ่งรู้ได้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนาใหญ่ย่อมไม่มี มุนีผู้สงบยอมเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านตลอดกลางวันและกลางคืนนั่นแหล ว, ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระอานนทเทระได้ไปสู่ที่แห่งเกวียนนั้นเพื่อพิกษาพอคาถวายอาหารบินทบาทลำดับนั้นพระเทระจึงบอกความแก่เขาว่าจะมีชีวิตอยู่ได้เจ็ดวัน เขาสลดสังเวทแล้วนิ ม, มนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันลำดับนั้นพระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาอุบาสกธรรมดาบัณฑิตคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้หละตลอดฤดูฝนเป็นต้นจากประกอบการงานชนิดนี้นี้ย่อมไม่ควรบัณฑิต ควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนเท่านั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระกถาว่าคนพาลมักจะคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดฤดูฝนจะอยู่ในที่นี้ในฤดูหนาวฤดูร้อนจกอยู่ที่นี่หารู้อันตรายไหมในการจบเทศนา พ่อค้านั้นดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลที่มาประชุมกันแล้วฝ่ายพ่อค้านั้นตามส่งเสด็จพระศัสดาแล้วกลับมานอนบนที่นอนด้วยคิดว่าดูเหมือนโรคในศีรษะจะเกิดแก่เราข้อนี้น่าจะรู้สึกปวดหัวนะครับเขากลับมานอนแล้วด้วยอาการอย่างนั้นทากาละคือตายแล้ว ไปบังเกิดในดุสิตวิมานดังนี้แหละ